ขมาบทแปลเรื่องที่หนึ่งห้าเรื่องชนสามคนภาคที่หเรื่องที่ส1อของวรรคที่9ป้าปวัควรรณน า, นาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบชนสามคนตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าณอันตลิเคนสมุทเตมเชเป็นต้น ตอนก้าถูกไฟไหม้ตายในอากาศได้ยินว่าเมื่อพระสัสดาประทับอยู่ในพระเชตวันภิกษุหลายรูปมาเพื่อต้องการจะเฝ้าพระสัสดาเข้าไปสู่บ้านตำบลหนึ่งเพื่อบินทบาทชนชาวบ้านรับบาทของภิกษุเหล่านั้นแล้วนิมนต์ให้นั่งในโรงฉันถวายข้าวยาคูและของเคี้ยว เมื่อรอเวลาบินทบาทนั่งฟังธรรมแล้วในขณะนั้นเปลวไฟลุกขึ้นจากเตาของหญิงคนหนึ่งผู้หุงข้าวแล้วปรุงสูปะกและพยัญชนะอยู่ติดชายคาเสเวนยนหญ้าอันหนึ่งปลิวขึ้นจากชายคานั้นอันไฟไหม้อยู่ลอยไปสู่อากาศในขณะนั้นกาตัวหนึ่งบินมาทางอากาศ สอดคอเข้าไปในสเสวียนหญ้านั้นอันเกลียวหญ้าพันแล้วไม่ตกลงที่กลางบ้านพวกภิกษุเห็นเหตุนั้นคิดว่าโอ้กำหนักภูมีอายุท่านทั้งหลายจงดูอาการแปลกที่กาถึงแล้วเว้นพระศัสดาเสียใครจักรู้กรรมที่กานี้ทำแล้วพวกเราจักทุนถามกรรมของกานั้นกับพระศัสดา ดังนี้แล้วก็พากันหลีกไปตอนภรรยาในเรือถูกท่วงน้ำเมื่อภิกษุอีกพวกหนึ่งโดยสารเรือไปเพื่อต้องการจะเฝ้าพระสัสดาเรือได้หยุดนิ่งเฉยในกลางสมุทรพวกมนุษย์พากันคิดว่าคนกาล ก, กันนีพึงมีในเรือนี้ดังนี้แล้วจึงแจกสลากให้จับ ก็ภรรยาของนายเรือตั้งอยู่ในปฐมวัยกำลังหน้าดูสลากถึงแก่นางนั้นพวกมนุษย์พากันกล่าวว่าจงแจกสลากอีกแล้วให้แจกถึงสามครั้งสลากถึงแก่นางนั้นคนเดียวถึงสามครั้งพวกมนุษย์แลดูหน้านายเรือเป็นทีจะพูดว่าอย่างไรกันนายครับนายเรือกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่อาจให้มหาชนฉิบหายเพื่อประโยชน์แก่นางนี้พวกท่านจงทิ้งเขาในน้ำเถิดนางนั้นเมื่อพวกมนุษย์จับจะทิ้งน้ำกลัวต่อมรณะภัยได้ร้องใหญ่แล้วในเรือได้ยินเสียงร้องนั้นจึงกล่าวว่าประโยชน์อะไรด้วยอาภรณ์ของนางนี้จะฉิบหายเสียเปล่าๆพวกท่านจงเปลืองเครื่องอาพร์ทั้งหมด ให้นางนุ่งผ้าเก่าผืนหนึ่งแล้วจงทิ้งนางนั้นก็ข้าพเจ้าไม่อาจดูนางนั้นผู้ลอยอยู่เหนือหลังน้ําได้เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเอากระออมที่เต็มด้วยทรายผูกไว้ที่คอแล้วโยนลงไปเสียในสมุรทรเถิดทําโดยประการที่ข้าพเจ้าจะไม่เห็นเขาได้พวกมนุษย์เหล่านั้นได้กระทําตามนั้นแล้วปลาและเต่า รุมกินนางแม้นั้นในที่ตกนั่นเองพวกภิกษุฟังเรื่องนั้นแล้วก็คิดว่าใครคนอื่นเว้นพระสัสดาเสียจกรู้กรรมของหญิงนั้นได้พวกเราจะทูลถามกรรมของหญิงนั้นกับพระสัสดาถึงถิ่นที่ประสงค์แล้วจึงพากันลงจากเรือหลีกไปตอนภิกษุเจรูปอดอาหารเจวันในธรรม ภิกษุเจ็รูปอีกพวกหนึ่งไปจากปัจจันตาชนบทเพื่อต้องการจะเฝ้าพระศัส ด, สดาเวลาเย็นเข้าไปสู่วัดแห่งหนึ่งแล้วถามถึงที่พักก็ในถ้ำแห่งหนึ่งมีเตียงอยู่เจ็ดเตียงเมื่อภิกษุเหล่านั้นได้ถ้ำนั้นแลนอนบนเตียงนั้นแล้วตอนกลางคืนแผ่นหินเท่าเรือนยอดกลิ้งลงมาปิดประตูถ้ำไว้ พวกภิกษุเจ้าของถิ่นกล่าวว่าพวกเราให้ถ้ำนี้ถึงแก่ภิกษุอาคันตุกะก็แผ่นหินใหญ่นี้ได้ตั้งปิดประตูถ้ำเสียแล้วพวกเราจักนําแผ่นหินนั้นออกแล้วให้ประชุมพวกมนุษย์จากบ้านเจ็ดตำบลเดือดรอบแม้พยายามอยู่ก็ไม่อาจยังแผ่นหินนั้นให้เคลื่อนจากที่ได้แม้พวกภิกษุผู้เข้าไปอยู่ในภายใน ก็พยายามเหมือนกันแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่อาจให้แผ่นหินนั้นเคลื่อนได้ตลอดเจ็ดวันพวกภิกษุอาคันตุ ก, กะอันความหิวแผดเผาแล้วตลอดเจ็วันได้เสวยทุกใหญ่แล้วในวันที่เจ็ดแผ่นหินก็ได้กลับกลิ้งออกไปเองพวกภิกษุออกไปแล้วคิดว่าบาปของพวกเรานี้เว้นพระศาสดาเสียแล้ว ใครเล่าจะรู้ได้พวกเราจักทูลถามพระสัสดาดังนี้แล้วก็พากันหลีกไปตอนพวกภิกษุทูลถามถึงกรรมของตนและผู้อื่นภิกษุเหล่านั้นมาบรรจบกันกับภิกษุพวกก่อนในระหว่างทางรวมเป็นพวกเดียวกันเข้าเฝ้าพระศัสดาถาวายบังคมแล้วนั่งในส่วนข้างหนึ่ง มีปฏิสันฐานอันพระศ า, ศาสดาทรงทําแล้วจึงทูลถามถึงเหตุที่ตนเห็นและที่ตนเสวยมาแล้วโดยลําดับแม้พระศัสดาก็ตรัสพยากรณ์แก่ภิกษุเหล่านั้นโดยลําดับอย่างนี้ตอนบุปกรรมของกาภิกษุทั้งหลายกานั้นได้เสวยกรรมที่ตนทําแล้วนั่นแหละโดยแท้ก็ในอดีตการ ชาวนาผู้หนึ่งในกรุงพาราสีฝึกโคของตนอยู่แต่ไม่อาจฝึกได้ด้วยว่าโคของเขานั้นเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็นอนเสียแม้เขาตีให้ลุกขึ้นแล้วเดินไปได้หน่อยหนึ่งก็กลับนอนเสียเหมือนอย่างเดิมนั่นแหละชาวนานั้นแม้พยายามแล้วก็ไม่อาจฝึกโคนั้นได้ เป็นผู้อันความโกรธครอบงำแล้วจึงกล่าวว่าบัดนี้เจ้าจาักนอนสบายตั้งแต่นี้ไปดังนี้แล้วทําโคนั้นให้เป็นดุจฟ่นันฟางพันคอโคนั้นด้วยฟางแล้วก็จุดไฟโคถูกไฟคล อ, อกตายในที่นั้นเองภิกษุทั้งหลายกรรมอันเป็นบาสนั้นอันการนั้นทําแล้วในครั้งนั้นเขาไมา่อยู่ในนรกสิ้นกาลนาน เพราะวิบากของกรรมอันเป็นบาปนั้นเกิดแล้วในกำเนิดกาเจ็ดครั้งถูกไฟไหม้ตายในอากาศอย่างนี้แหละด้วยวิบากที่เหลือตอนอุปกรรมของภ ร, รยาในเรือภิกษุทั้งหลายแม้หญิงนั้นเสวยกรรมที่ตนทำแล้วเหมือนกันก็ในอดีตการหญิงนั้นเป็นภ ร, รยาแห่งครืหาบดีคนหนึ่ง ในกรุงพรรณสีได้ทํากิจทุกอย่างมีตักน้ําซ้อมข้าวปรุงอาหารเป็นต้นด้วยมือของนางเองสุนัขตัวหนึ่งของนางนั่งแลดูนางนั้นผู้ทํากิจทุกอย่างอยู่ในเรือนเมื่อนางนําพัดไปนางก็ดีไปป่าเพื่อต้องการวัตถุต่างๆมีเฟื่อและผักเป็นต้นก็ดีสุนัขนั้นย่อมไปกับนางนั้นเสมอ พวกคนหนุ่มเห็นดังนั้นย่อมเยาะเย้ยว่าแน่ ä, พ่อเว้ยพรานสุนัขออกแล้ววันนี้พวกเราจะกินข้าวกับเนื้อนางขวยเขินเพราะคําพูดของพวกเขาเหล่านั้นจึงประหารสุนัขด้วยก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นให้หนีไปสุนัข ก, กลับแล้วก็ตามไปอีกได้ยินว่าสุนัขนั้น ได้เป็นสามีของนางในอัถภาพที่สาเหตุนั้นมันจึงไม่อาจตัดความรักได้จริงอยู่ใครๆชื่อว่าไม่เคยเป็นเมียรหรือเป็นผัวกันในสงสารมีที่สุดอันบุคคลไปตามไม่รู้แล้วไม่มีโดยแท้ถึงกระนั้นความรักมีประมาณยิ่งย่อมมีในผู้ที่เป็นญาติต่อกันในอัถภาพไม่ไกลเหตุนั้น สุนักนั้นจึงไม่อาจละนางนั้นได้นางโกรธสุนักนั้นเมื่อนําข้าวยาคูไปเพื่อสามีที่นาจึงได้เอาเชือกใส่ไว้ในชายพกแล้วไปสุนัขไปกับนางเหมือนกันนางให้ข้าวยาคูแก่สามีแล้วถือกระออมเปล่าไปสู่ที่น้ําแห่งหนึ่งบรรจุกระออมให้เต็มด้วยสายแล้วได้ทําเสียงสัญญาแก่สุนัข ซึ่งยืนและดูอยู่ในที่ใกล้สุนักดีใจว่านานแล้วหนอเราได้ถ้อยคำที่ไพรเราะในวันนี้จึงกระดิกหางเข้าหานางนางจับสุนักนั้นอย่างมั่นที่คอแล้วจึงเอาปลายเชือกข้างหนึ่งผูกกระออมไว้เอาปลายเชือกอีกข้างหนึ่งผูกที่คอสุนักผลักกระออมให้กลิ้งลงน้ำ สุนักตามกระออมไปตกลงน้ำก็ได้ทำกาละในน้ำนั้นเองนางนั้นไม่ยอยู่ในนรกสิ้นกาลนานเพราะวิบากของกรรมนั้นด้วยวิบากที่เหลือจึงถูกเขาเอากระออมเต็มด้วยสายผูคอถ่วงลงในน้ำได้ทำกาละแล้วตลอดหนึ่งร้อยอัตภาพตอนบุพกรรมของภิกษุเจรูป ภิกษุทั้งหลายแม้พวกเธอก็เสวยกรรมอันตนกระทำแล้วเหมือนกันก็ในอดีตการเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนชาวกรุงพารณสีเที่ยวเลี้ยงโคอยู่คราวละเจ็วันในประเทศใกล้ดงแห่งหนึ่งวันหนึ่งเที่ยวเลี้ยงโคแล้วกลับมาพบเฮี้ยใหญ่ตัวหนึ่งจึงไล่ตามเฮี้ยหนีเข้าไปสู่จอมปลวกแห่งหนึ่ง ก็ช่องแห่งจอมปลวกนั้นมีเจ็ดช่องพวกเด็กปรึกษากันว่าบัดนี้พวกเราจักไม่อาจจับได้พรุ่งนี้จึงจักมาจับตังนี้แล้วจึงต่างคนต่างก็ถือเอากิ่งไม้ที่หักได้คนละกรรมคนละกรรมแม้ทั้งเจ็ดคนพากันปิดช่องทั้งเจ็ดช่องแล้วหลีกไปในวันรุ่งขึ้นเด็กเหล่านั้นไม่ได้คำนึงถึงเฮียนั้น ตอนโคไปในประเทศอื่นครั้นในวันที่7ผ้พาโคกลับมาพบจอมปลวกนั้นกลับได้สติคิดเกินว่าเหี้ยนั้นเป็นอย่างไรหนอจึงเปิดช่องที่ตนที่ตนปิดไว้แล้วเหี้ยหมดอะไรในชีวิตเหลือแต่กระดูกและหนังสั่นคลานออกมาเด็กเหล่านั้นเห็นดังนั้นแล้วจึงทำความเอ็นดูพูดกันว่า พวกเราอย่าฆ่ามันเลยมันอดเยื่อตลอดเจ็วันจึงรูปหลังเฮียนั้นแล้วปล่อยไปด้วยกล่าวว่าจงไปตามสบายเถิดเด็กเหล่านั้นไม่ต้องไหมในนรกก่อนเพราะไม่ได้ฆ่าเฮียแต่ชนทั้งเจ็นั้นได้เป็นผู้อดข้าวร่วมกันตลอดเจ็ดวันเจ็วันในส4อัตภาพภิกษุทั้งหลายกรรมนั้น พวกเธอเป็นเด็กเลี้ยงโคเจ็คนทำไว้แล้วในการนั้นพระสัสดาส่งพยากรปัญหาอันภิกษุเหล่านั้นทูลถามแล้วทูลถามแล้วด้วยประการชนี้ตอนคนจะอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นจากกมชั่วครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งทูลพระสัสดาว่า ความพ้นย่อมไม่มีแก่สัตว์ที่ทำกรรมเป็นบาปแล้วผู้ซึ่งเหาะไปในอากาศก็ดีแล่นไปสู่สมุทรก็ดีเข้าไปสู่ซอกแห่งภูเขาก็ดีหรือพระเจ้าค่าพระสัสดาตรัสบอกว่าอย่างนั้นแหละภิกษุกทั้งหลายแม้ในที่ทั้งหลายมีอากาศเป็นต้นประเทศแม้สักส่วนหนึ่งที่บุคคลอยู่แล้วพึงพ้นจากกรรมชั่วได้ ไม่มีเมื่อจะทรงสืบอนุสนทีแสดงธรรมตรัสพระคาถานี้ว่านอันตลิเคนสมุตตมาเชนาปปัตตานังวิวรังปวิสสะนวิเชเตโซเชกระทิ ป, ปเดโซยัตลัติโตมุจเจยะปาปรกรร ม, มาติคนที่ทำกรรมชั่วไว้หนีไปแล้วในอากาศ ก็ไม่พึงพ้นจากความชั่วได้หนีไปในถ้ำกลางมหาสมุทรก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีเข้าไปสู่ซอกแห่งภูเขาก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้เพราะเขาอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใดพึงพ้นจากกรรมชั่วได้ประเทศแห่งแผ่นดินนั้นหามีอยู่ไหมแก้อัดความแห่งพระคาถานั้นว่า ก็หากว่าคนบางคนคิดว่าเราจะพ้นจากก ร, รมชั่วด้วยอุบายนี้พึงนั่งในอากาศก็ดีพึงเข้าสู่มหาสมุทรอันลึก 84,000 โยชสพนโยก็ดีพึงนั่งในซอกแห่งภูเขาก็ดีเขาไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้เลยด้วยว่าในส่วนแห่งแผ่นดินคือภาคแห่งปฐพีมีปุรัตติมทิต์เป็นต้น โอกาสแม้ประมาณเท่าปลายขนทรายที่บุคคลอยู่แล้วเพิ่งอาจพ้นจากกรรมชั่วได้หามีไม่ในการจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นพระธรรมเทศนาเป็นกระถามีประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องชนสามคนจบ